ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับรายการสันสนิษ น, นานารายการที่มาแต่เช้าตรู่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ถึงสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดกันแท้ตั้งแต่ตอนเช้าๆที่ประอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นมาแต่ว่าเรากำลังจะเห็นแสงทองของอรณุณนั้นเพราะพระพุทธองค์นั้นตรัสไว้แล้วเรากาลังสร้างเหตุกัน ซึ่งในตอนต้นของรายการนี้พระภิกษุที่ได้มาสนทนาธรรมกับท่านก็คือพระภามิบุลิพิปุญโณท่านก็มีตามานะคะที่จะนําพวกเราทุกคนเนี่ยได้เข้าสู่การปฏิบัติสร้างกุศลให้กับตนเองแล้วก็เป็นการสร้างความรู้ที่จะนําไปสู่ความชนานาญโดยการฝึกปฏิบัติกันให้มากขึ้นโดยไม่ต้องรอเวลาว่าโอต้องว่างจริงๆซะก่อนแล้วก็ค่อยไปที่วัดนะคะ ตั้งท่ า, าไว้ก่อนเลยเมื่อถึงโอกาสได้ไปหลีเล่นจะได้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นเตรียมตัวให้ดีนะคะที่นกักลอยชูพาท่านไปพบกับท่านพบูลซึ่งท่านคงนำพวกเราปฏิบัติทํากันตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยกราบมรณส ก, การณ์กันนะคะเช่บนบอในการปฏิบัตินั้นเราใช้เรื่องของลมหายใจเป็นหลักเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือนี้จริงๆแล้วมีอยู่หลายอย่างนะเช่นว่าการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งใช้การระลึกถึงพระพุทธเา ในที่นี้เราจะใช้เรื่องของการระลึกถึงลมหายใจแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังมานึกถึงคิดถึงมาระลึกถึงกําหนดจิตเอาไว้ยอยู่ในลมหายใจในการพูดพวกนี้มีความหมายอย่างเดียวกันบางคนอาจจะใช้คําว่ากําหนดรู้ลมหายใจระลึกถึงลมหายใจตั้งจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจพวกนี้ใช้ได้หมดโดยการหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็ให้จิตของเรานั้นมาระลึกถึงลมหายใจจจะมีความคิดนั่นนี่โน่นผ่านเข้ามาบ้าง อันนี้ก็ธรรมดาเนะื่อเพราะเป็นเรื่องของจิต ท, ที่จะไปทําหน้าที่คิดนึกนะในขณะเดีวยวกันที่มีความคิดความนึกนั้นก็ใหยมารู้ลมหายใจไปด้วยนะในขณะที่เรารู้ลมหายใจก็ชื่อว่าจิตเราตั้งอยู่แล้วในขณะที่จิตเราตั้งอยู่ระลึกรู้ลมหายใจนี้แล้วก็ให้ใคร่ครวนธรรมะซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพิกษุ์ทั้งหลายนะที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาแห่งหนึ่งไดนะ้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าพิกษจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน โคบ้านชาวมัคตผู้ที่มีปัญญาได้คํานึงถึงในเดือนในฤ ด, ดูสัตร์เดือนสุดท้ายแห่งฤ ด, ดูฝนได้ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ํำคงคาทางฝากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือคือฝั่งโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสําหรับข้ามโคจีเดียวในโคบานนั้นก็ได้ต้อนเหล่าโคที่แข็งแรง เป็นโคพ่อฝูงจ่าฝูงที่เป็นผู้นำให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ไว่ายตัดตรงกระแสะมน้ำคงคาถึงฝั่งฝากนนทนได้โดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นก็ได้ต้อนโคเหล่าอื่นที่เป็นโคใช้งานเป็นโคที่มีกำลังและเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานได้มันก็ว่ายตัดตรงกระแสะมน้ำ ข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นก็ได้ต้อนโคเหล่าอื่นที่เป็นโคยังรุ่นโคหนุ่มสาวมันก็ได้ไหว้ตัดกระแสแม่น้ำไปถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นก็ได้ต้อนโคเหล่าอื่นซึ่งเป็นพวกลูกโครหรือโคที่สู้ผอมมันก็ได้ไหว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคา ไปถึงฝั่งโน้นได้เหมือนกันเรื่องเคยมีมาแล้วแม้ลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันมันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ํำคงคาไปถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสวัสดีข้อนั้นเป็นเพราะว่านายโคบานนั้นเป็นผู้ฉลาดเป็นคนมีปัญญาได้ตรวจตราดูฟังฝากนี้ แล้วจึงต้อนฝูงโคไปไฉะนั้นเราเองเป็นสมณพราหมณ์ผู้ฉลาดฉลาดในเรื่องโลกนี้เรื่องโลกอื่นฉลาดในเรื่องวัตตะและวิวัตะบรรดาโคที่เป็นจ่าฝูงเป็นโคแข็งแรงก็เปรียบเหมือนกับเราภิกษุผู้อารานันผู้สิ้นอสวะอยู่จบปรมจรมี เครื่องร้อยรัดในภพสิ้นไปรอบแล้วก็ได้ฝ่าตัดกระแสแห่งมารไปถึงฝั่งโน้นคือนิพพานได้โดยสวัสดีโคพวกที่ใช้กำลังที่พึ่งฝึกงานได้ไว่ายตัดกระแสแม่ น, น้ำโคงคาก็เปรียบเหมือนเหล่าภิกษุอนาคามีที่สามารถฝ่ากระแสแห่งมารไปถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้อย่างเดียวกัน โคหนุ่มโคสาวที่เป็นรุ่นก็ว่ายข้ามกระแสมน้ำโคงคาก็เปรียบเหมือนเราภิกษุสกทาคามีเพราะความสิ้นแห่งเรื่องร้อยรัดสามอย่างและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารไปถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสบัสดีอย่างเดียวกันส่วนเราลูกโคหรือโคที่สู้ผอม ที่ไว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปนั้นก็เปรียบเหมือนเหล่าภิกษุผู้โสดาบันเป็นผู้ตกกระแสที่ยงแท้ต่อปันนิพพานก็ไหว้าฝากระแสแห่งมานถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้ชวนลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นไว้ไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ไหว้ตัดกระแสฝั่งแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโน้นได้ก็เปรียบเหมือน เหล่าภิกษุผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมคือธรรมานุสารีหรือเล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาหรือศรัทธานุสารีก็สามารถตัดฝ่ากระแสแห่งมารไปถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้อย่างเดียวกันนี่คือพระสูตรที่นำมาให้ฟังในวันนี้เชอรินพอนค่ะนั่นคือพระสูตรที่มีชื่อว่ารอดได้เพราะผู้นำถ้าแปลนะคะ ภาษาบาลีนี่ผมว่าจูละโคปาละสูใช่อันนี้ถูกใช่ไหมคะถูกต้องอจูละก็คือหมายถึงเล็กนะจะมีพระสูตรที่ยาวกว่า น, นี้อยู่แล้วว่<ร>า อ, อย่างยออ่อเกี่ยวกับเรื่องของนายโคบานเกี<ะ>่ยวกับเรื่องของนายโคบานเอ่อซึ่งถ้าเรามาดูเรื่องราวตรงนี้น่นคือเหตุการณ์ในสถานการณ์ตอนเนี่ยเขาอธิบายไว้นะว่ามีฝูงโคอยู่สองฝูงเดฝูงหนึ่งมีประมาณสักพันกว่าตัวเอามื่นกว่าตัว แล้คื อ, อคือคุณยมเตี่ยนึกถึงสภาพบ้านเมืองในสมัยโน้นอ่ะนะ<ฆ>เวลาเขาเลี้ยงโคเนี่ยเขาเลี้ยงกันเป็นพันๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเหมือนแบบใช่ใช่เหมือนอย่างในยีสานบ้านเราอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยก่อ น, นยังไม่มีรถอีแตนเนี่ยนะเขาบางบ้านเนี่ยมีวัวเป็น20่สตัวหรือเป็น100ร้อยตัวก็มีแต่บางเรือนเรือนเดียวเนี่ยมีครอบครัวมันเจ็ดปดคนเนี่ยมีวัวเป็นร้อยตัวก็มีอยู่ใต้ตุนบ้านของตัวเองแต่เพราะว่าเขาใช้งาน หัวควายพวกนี้เขาใช้งานแล้วก็ลักษณะเดียวกันเวลาเขาต้อนหัวไปก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เขาก็เอาข้ามฝั่งแล้วทำไมต้องข้ามฝั่งเพราะว่าบางทีฝั่งนี้มันอาหารหมดแล้วจะต้องไปฝั่งโน้นหรือว่าเอาโคไปค้าขายก็ต้องข้ามฝั่งมันก็ต้องมีนะซึ่งถ้าแปดว่าเวลาเขาเอาโคข้ามฝั่งเนี่ยเนื่องจากแม่น้ำโขงคาเนี่ยมันลึกด้วยแ ล, แล้วมันก็กระแส น, น้ําเชี่ยวในบางช่วงซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นฤ ด, ดูศาส ในฤดูศาสตร์ก็คือหมายถึงท้ายฤดูฝนในะท้ายฤดูฝนลักษณะอย่างหนึ่งคือน้ํามันจะเต็มมากน้ํามันจะมากแต่นะเพราะว่าฝนมันเริ่มจะหยุดแล้วเนี่ยน้ําจากบนเขาบนแรงต่างมันก็ไหลมายิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นแล้วก็ทําให้การข้ามฟังเนี่ยเป็นไปได้ยากทียนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาที่นายโคบานคนเลี้ยงโคเนี่ยเขาจะต้องหาจุดที่จะที่จะข้ามฟากให้ได้แต่เวลา <Okay. S 1> ที่เขาดูเนี่ย เขาจะต้องหาช่วงที่แน่นอนตรงตอนลงเนี่ยมันไม่มีปัญหนาเนะีเพราะว่ามันก็อาศัยแรงดึงดูดของโลกลงไปลงไปใช่ไหม <Okay. S 1> แต่อีตอนที่ระหว่างน้ำเนี่ยถ้าคุณโยมติวลองนึกถึงว่าขายืนเหยียบไม่ถึงหัวควายนะโคนะลอย <Okay. S 1> ทุบป่องทุบปองไปเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะต้องหาจุดที่เป็นเนินทรายอยู่ใต้น้ําที่พอจะยืนเหยียบถึงได้เนี่ยเพราะอะไร mm hmm. เพื่อให้พักแรงได้บ้าง นะเวลาที่ว่ายไปไว่ายไปน้ํามันซัดไปสัดไปใช่ไหมคุณก็จ้องตามกระแสน้ําไปตรงนี้ถ้าเผื่อไม่มีที่ให้พักขาบ้างเนี่ยบางทีมันเหนื่อยมันโคนไปไม่ไหว <Okay. S 1> นะอันนี้ข้อที่1ต้องหาเนินทรายที่อยู่ใต้น้ําสัก3 4ี่หรือ5จุดให้โคได้พักบ้างนะข้อที่2องนะท้าขึ้นเนะนื่องจากว่าโคมันไม่มีมือนะไม่เหมือนคนมันก็เกี่ยวจับอะไรได้มันเป็นลอยอยู่ในอยู่บนอยู่จากเหนือตัวขึ้นไปใช่ไหมเราจับได้แต่โคมันไม่มี มันก็ต้องมีจุดที่เป็นท่าให้โคเนี่ยเหยียบแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปได้นะท่าขึ้นของโคก็ต้องมีอันนี้คือข้อที่สองแต่ <Okay. S 1> แล้วข้อที่3มเนี่ยไม่ใช่ว่ามีท่าขึ้นท่าเดียวเพราะบางทีไอความเร็วในการว่ายน้ําของแต่ละตัวไม่เท่ากันมันก็จะถูกกระแสน้ําพัดไปไกลไปใกล้ไม่เท่ากันมันก็ต้องมีท่าขึ้นอยูอย่างน้อย3าถึงสท่าต่อ <Okay. S 1> ต่อกันไปนี่นายโคบานเขาต้องวิเคราะห์ขนาดนี้นะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ธรรมดานะปรากฏว่า สถานการณ์ในขณะนั้นมีนายโคบานกลุ่มแรกนะไม่ฉลาดนะดูไม่รู้ว่าตรงไหนมีเนินทรายใต้น้ําท่าขึ้นบางโค บ, บางตัวตกท่านี้ท่าขึ้นท่านี้ไม่ได้ก็ต้องไม่มีท่าขึ้นแล้วอย่างเงี้ยซึ่งบางทีไอ้ท่าขึ้นเนี่ยมีขวากน้ํามีต้นไม้บางโคมันก็จะว่ายกลับทีนี้พอโคว่ายกลับปุ๊บเนี่ยโคตัวที่มันลงน้ํามาแล้วตามตามกันมาเนี่ยมันก็มีใช่ไหมพอว่ายกลับปุ๊บมันก็จะเกิดกระแสน้สําสวนกันทีนี้ พอสวนกันปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นน้ําบนน้ำบอลทีนี้แหละมันก็เลยดึงโคทั้งหมดลงไปจมน้ําตายหมดหรือว่าลอยตามน้ําไปขึ้นท่าไม่ได้นี่ก็โคบานที่ไม่ฉลาดซึ่งมีกลุ่มนึงเป็นโคบานที่ฉลาดคนเลี้ยงโคเขาก็รู้จักเลือกท่าที่เหมาะสมในอย่างที่ว่านี่มี3าสีท่าต่อกันไปแล้วก็เนินทรายสีห้าเนินที่ให้โคได้รู้จักเหยียบไปเรื่อยๆ นะครับทุกเช้ายกตัวอย่างตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวพระองค์เนี่ยเป็นนายโคบาลผู้ฉลาดนะฟังให้ดีนะนายโคบาลผู้ฉลาดนะรู้จักท่านะท่าขึ้นฝั่งนิพพานในคุณโยมติ่อไม่ได้มีท่าเดียวนะเช่นไม่ได้มีท่าศีนท่าเดียวอาจจะมีท่าเมตตาบางคนก็จะพูดถึงเรื่องของการพิจารณาท่าศีบางคนก็จะเห็นความไม่เที่ยงบางคนก็จะเห็นความเป็นอนัตตานะบางคนก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนแต่ละคนพิจารณามาไม่เหมือนกันมีท่าขึ้นไม่เหมือนกันนะ อันนี้คือทาที่สี่ห้าว่าไปแหนแล้วระหว่างน้ําเนี่ยกระแสน้ําที่พัดมาพัดมาเนี่ยเปรียบเหมือนกับกระแสของตันหาที่จะพัดเราไปพัดเราไปพัดเราไปไหนะต่อไปข้างหน้านี่คุณจะเจออสูรกายแล้วก็น้ําบต์นะเป็นน้ําตกลงไปคุณตายแน่นอนถ้าถูกกระแสน้ํานี้พัดไปเพราะฉะเรากําลังว่ายข้ามกระแสนะของตันหานะว่ายข้ามวัฏฏะอยู่ตอนนี้นะเรอยู่ในกระแสของตันหาซึ่งไอ้ตรงเนินทรายที่พูดถึงว่า เป็นที่ให้เรายืนเหยียบถึงเนี่ยค่อยพักแรงได้บ้างเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของเกาะนะเกาะเกาะนะคือคือแปลตรงตัวเลยคือสารณะนั่นเองเป็นเกาะนะให้เราเป็นเกาะได้พึ่งไดนะ้คือบางทีเนี่ยถ้าคุณยมติวลองพิจารณานึกถึงหรือว่าจินตนาการ ก, ก็ได้นะตัวเราเองเป็นวัวเป็นวัวแล้วนะว่ายน้ําไปขายืนเหยียบไม่ถึงนะลอยคอตุ่บ ป, ป่องตุ่บ ป, ป่องเนี่ยบางทีเราเห็นกองอะไรไม่รู้อยู่ตรงนู้นนะเราก็เป็นคิดว่าว่ายไปจะไปพักแรงได้นิดนึงเนี่ย ปรากฏเป็นผักตบชวาอย่างเงี้ยโอ้โหก็ oh, <okay. S 2> <Okay. S 1> ไปถึงปุ๊บมันก็แตกออกแตกออกโอ้ไม่ได้แรงเริ่มหมดนะเหมือนกันเราเราอยู่ในโลกอย่างเงี้ยดูทีวีดูหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆมีคนบอกว่านี่คุณต้องไปฉีดโบอท็อกซี่แล้วก็เผื่อว่าโงงเห้งจะดีขึ้นชีวิตจะได้ดีขึ้นนะพอไปฉีดจริงทําจริงเฮ้ไม่ได้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นนะหรือว่าเหมือนโคนะว่ายไปว่ายไปเจอกองอะไรไม่รู้กองหนึ่งนะเข้าไปเพื่อคิดว่าจะได้พักบ้างแลก็อ้าวกลับกลายเป็นก้องโฟม เหมือนโฟมเป็นฟองน้ำเนี่ยลอยมาเอาไปถึงปุ๊บมันก็แตกออกแตกออกเนีเหมือนการบางทีเขาแนะนําว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนชื่อสิจะได้ดีขึ้นนะชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแต่พอเปลี่ยนแล้วก็เฮ้ยไม่เห็นจะมันจะอะไรดีขึ้นมาเลยนะอันนี้เป็นต้นนะว่ามันไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมแตไม่ใช่ที่พึ่งที่เราจะพึ่งได้สิ่งพวกนั้นที่เรามายกตัวอย่างมาเป็นต้นนะแต่ที่บางทีที่พึ่งเนี่ยมันอยู่ใต้น้ําเรามองไม่เห็น นะเป็นเนินทรายเชื่อที่เราพอจะยืนเหยียบถึงพักได้บางอันนี้คือสําคัญว่าบางทีคำสอนพระเจ้านะคุณมองเผินๆอย่างเงี้ยคุณไม่เห็นพ่อะน้ํามันขึ้นหมดน้ํามันเต็มหมดนะไอเนินทรายที่มันเคยมีอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันก็จมน้ําไปนะซึ่งอันนี้อย่างเดียวกันมีคนเขาพูดว่าเอ้ยธรรมะนั้นดีนะดีนะนะความสุขในใจดีนะดีนะแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสแล้วคุณก็ไม่ได้แต่เมื่อไหร่คุณไปถึง ถ้าคุณโยมติวลองคิดดูวัวตัวแรกที่ไปเนี่ยเป็นวัวจ่าฝูงนะมีใจสู้เป็นผู้นํานะมันไม่รู้อะไรมันก็ไปตามตามที่นโกบานบ่าไปไอโคตัวที่ตามมาตามมาเนี่ยมันก็ตามตัวแรกตัวแรกไปแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรมันก็คงจะต้องกังวนอยู่แหละว่าโหน้ำขนาดกว้างขนาดนี้มันจะข้ามได้ไงแต่ข้างล่างมันมีที่เหยียบถึงมันไม่รู้จนกระทั่งไปถึงตุ๊โอได้หยิบสบายใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้พักแรงหน่อยหนึ่งยืนได้หายใจได้ เหมือนการเวลาที่เร า, เามาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมแล้วเนี่ยใจมันเย็นลงไปวางลงไปมีสมาธิเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นที่พึ่งที่พักได้หน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะไปต่อได้สู้ในกระแสผ่านสังสารวัฏหลีกออกจากไอท้ทกกระแสตันหาข้ามตัดแม่น้ํำคงคาไปถึงฝั่งนู้นได้นี่คือตัวอย่างนี้เนาะค่ะเรื่องนี้ลึกซึ้งมากโยมเตียวลึกซึ้งมากค่ ะ, คะท่านผฟังก็มีโอกาสดีนะคะที่จะ เข้าถึงธรรมะที่ไม่ใช่พื้นพื้นที่เราได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ออกจะหาฟังง่ายนะคะทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งหวังแต่ภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าในพระสูตรที่ท่านไบบูลได้อ่านนำให้พวกเราช่วงปฏิบัติแล้วก็มาขยายความมักจะเน้นไปที่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ใช่ไหมคะอื อ, อ, ะอันนี้ให้เราจาไปเล่าให้พระฟังหรือไงคะ คําว่าพิกสุท์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนคําเรียกเฉยๆแตซึ่ง<ช>ถ้าตอนนั้นพูดอยู่กับใครก็จะใช้คําเรียกกับกับบุคคลนั้นอย่างสมมุติมาตอนนี้พูดกับคุณยมติวก็จะพูดถึงคุณยมติวใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นฟังนะเขาก็ได้ข้อมูลตรงนี้ไปด้วยซึ่งตรงพระสูตรนี้พูดกับพิสุทธ์ทั้งหลายแต่ในที่นั้นในที่นั้นก็มีเด็กเลี้ยงโคลนหนึ่งเขาก็ฟังอยู่ด้วยเขาก็ได้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้นะคือธรรมะนี่มันอาการลิโกอยู่แล้วละ่ะทุกคน ค่ะท่านเห็นมีเด็กเล่นโคอยู่ด้วยท่านก็เลยยกอุปมาณนี้มั้งคะออสถานการณ์ตอนนั้นคือมีมีคนที่พาข้ามพาบวกโควกวายในข้ามน้ำอยู่ค่ะ เ, ออเพื่อที่จะให้คนในแต่ละอาชีพแต่ละสิ่งที่เขาทำอยู่เข้าถึงได้โดยง่ายโดยเปรียบเทียบ ก, กับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคย ะะแล้วเราก็เลยได้จินตนาการออกเลยนะคะว่าเหมือนกับไปดูหนังเรื่องโคบานต้อนโคอะไรําลองนั้นเลยใช่ใช่ทีนี้เอพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่ท่านได้พูดถึงว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ถึงนายโคบานผู้ฉลาดในที่นี้เนี่ยนายโคบานเนี่ยหมายถึงพระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียวหรือพวกเราก็เป็นนายโคบานของตัวเราเองค่ะอะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นนายโคบานอือค่ะ แล้วพวกโคอื่นๆนั่นก็เป็นเราพูดที่ตามมาเช่นพระอาหารหันต์ที่ตรัสรู้กันไปก่อนๆนั้นนั้นแล้ว น, นก็คือเราพวกโคจากฝูงโคพ่อฝูงพวกนั้นก็จึงเท่ากับว่าเราเนี่ยถ้าอยากจะรู้เทคนิควิธีในการที่จะข้ามฝั่งไปได้อย่างไรหรื อ, อถ้าเราจะต้องข้ามไปให้รอดได้เนี่ยต้องพึ่งให้ถูกคือฝั่ง แล้วก็ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรเท่านั้นใช่ใช่คือเส้นทางตอนนี้เรามันมันลึกซึ้งตรงไปตรงนี้หนึ่งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนไนโคลบาร์บางทีไนโคลบาร์ก็อาจจะไม่อยู่กลางน้ํานคอยต้อนฝูงควไปแต่ตอนเนี้ไนโคลบาร์ขึ้นฝั่งไปแล้วเนี่เราไม่เห็นไนโคลบาร์แล้วนีแต่ร่องรอยเนี่ยยังเห็นอยู่นี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าปริณิพานแล้ว แตนะพวกเราภิกษุไม่ว่าจะเป็นสกท า, าคามีโสตบันเนี่ยที่ยังไม่ข้ามถึงบางทีพระเจ้าก็ลงมาตรงกลางน้ำนะบอกได้นั้นคือช่วงสมัยพุทธกาลนะพระเจ้ายังอยู่แต่ตอนนี้พระเจ้าขึ้นฝั่งไปแล้วนะปฏิทินผ่านเร้เปรีปรยแล้วเราฟูงโคโที่ข้ามไปแล้วฝั่งนู้นก็มีเยอะแยะแล้วนะคือนะพวกที่บรรลุปเป็นพระอาจารย์ไปแล้วนะเรายังอยู่ฝั่งนี้อยู่หรือบางทีเราอยู่กลางน้ําอยู่เราเข้ามาถึงกระแสะแล้วนะกระแสะที่จะข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยนะ อยู่กลางน้ําอยู่เราก็ต้องผ่าไปให้ได้นะคือคนที่ยังไม่ข้ามยังไม่ตัดสินใจจะลงข้ามเลยเนี่ยเปรียบเหมือนพวกที่ยังเพลิดเพลินอยู่ยังไม่มาสนใจธรรมะไม่รู้เรื่องราวอะไรนะแต่ถ้าคนเริ่มมาฟังธรรมะหันมาสู่ธรรมะก็แสดงว่าเริ่มละที่จะผ่ากระแสตันหาเริ่มจะทวนกระแสละนะซึ่งเส้นทางตรงนี้ก็คือตามมรคนั่นแหละนะแล้วมันจะมีเกาะที่พักอยู่บ้างแนะบางทีน้ําขึ้นบางทีน้ําลงทําให้เราเห็นปรากฏชัด หรือปรากฏไม่ชัดอันนี้ก็ค่อยผ่านไปนะแต่เราโชคดีเพราะงั้นเถอเราก็ยังเหมือนกับได้รู้ตฤษฎีในการที่จะก้าวผ่านถ้าพูดเป็นภาษาสมัยใหม่นะคะสิ่งที่พระพุธทธรู์สอนก็เหมือนกับเป็นจะใช้ควาว่าทฤษฎีถูกนะมากก็ไม่เสมอไปเป็นความรู้เป็นความรู้รรใช่แล้วก็ตัวพระองค์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ นะผู้รู้ผู้ที่รู้ใช้คําว่าพุทโธนั่นเองมีคนเคย <c oughs> มีคนเคยมาเกล้ามาว่าพระเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบเป็นนักวิทยาศาสตร์ <c oughs> แต่ที่คนพบแหล่งต่างพวกนี้วิเคราะห์วิจัยอะไรต่างแตนะ่ซึ่งคําว่านะักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเพิ่งจะมาะใช้กันในช่วงประมาณร้อยกว่าปีนี้เองร้อยส0งปีประมาณนี้แตนะ่ก่อนนั้น น, น, น, <c oughs> นั่นเขาใช้คําว่านักปรัชญาทางธรรมชาตินะก่อนนั้นนั้นน ะ, <c oughs> ะซึ่งคําว่าคําที่พระเจ้าเรียกตัวพระองค์เองเนี่ย คือพุโทโธคือผู้รู้แตผูนะ้รู้ก็คือได้ทําการวิจัยค้นคว้าแล้วรู้แล้วแต่มันรู้ลึกกว่าที่นักวิยาศารเขารู้ไงในวิชาเขารู้ก็คือตามเหตุผลในเครื่องมือเครื่องไมยที่เขามีในแต่พระเจ้าเนี่ยใช้ความสามารถทางด้านจิตใจแ ล, แล้วคําที่เรียกพระองค์เองคือคำว่า พ, นะ พ, พุทโธพุทธพุทโธตรงนีม้มีประเด็นตรงนี้นิดนึงคนยมเติยวนะในช่วงสุดท้ายก็คือว่า พวกเราโคที่ข้ามไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นท่านแล้วนะแต่เหล่าโคที่เราตามก้นตามก้นกันอยู่เนี่ยนะกำลังวิ่งตามไปตามไปกันอยู่ข้ามน้ำตามไปตามไปเนี่ยคือผู้ที่อยู่ในร่วมสมัยกันอยู่ร่วมสมัยกันเข้าใจนะเพราะนั้นเราเห็นโคตัวก่อนไปแล้วเนี่ยเราตามไปตามไปเนี่ยร่องรอยตรงนี้เราไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นเนินทรายที่อยู่ข้างหน้าเพราะมันจมอยู่ใต้น้ำแต่เราตามเข้าไป แล้ก็เปรียบเสมือนกับเหล่ากรูบาจารย์หรือว่าคนที่เราอยู่ร่วมสมัยแล้วเห็นเขาทําได้เอ๊ะเราต้องทําตามเขาดูนะตามไปตามไปโอ้ตรงนี้เฮ้ยบางทีจังหวะของเรากระแสน้ํามันพัดมาแรงมากเราเลยต่อไปอย่างเงี้ยไปถึงท่าที่2ท่าที่สามที่มันไปข้างหน้านะแต่เราก็ยังมีท่าอยู่ยังตามไปกันได้อยู่นะคือยังตามไปกันอยู่นะเห็นคนทำดีรีบทําเถอะนะอย่าชักช้าอยู่รีบซะนะมันยังมีทางไปอยู่นะตอนนี้ยังมีคนไปคนไปอยู่ค่ะ ท่านฟังที่ อ, อาจจะมาฟังในช่วงเข้ารายการมาแล้วสักพักหนึ่งทบทวนอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เนี่ยท่านไพบูลได้นําเอากระสูตรที่ทําให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องของอการที่จะพาตัวเองปฏิบัติไปยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายทางสุดท้ายให้เปรียบตัวเรเองเนี่ยเป็นเหมือนโคนะคะที่มีความพยายามอยากจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นแต่ว่าไม่ได้ โดดเดี่ยวเดียวได้คือโคก็จะมีะนายโคบานที่นี้นคือพระพุทธองค์เป็นผู้นำและทรงเป็นผู้รู้แล้วรู้ละเอียดสามารถจะพาโคที่ทำตามไปสู่ฝั่งได้ถูกไหมคะพูแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเกาะในคำสอนของท่านซึ่งคำสอนของท่านนั้นยังอยู่แม้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะปรินิพานไปเป็นเวลาถึงสอง0 ปีแล้วก็ตามทีมมนะค ะ, ะประเด็นตรงนี้นิดนึงว่าบางคนอาจจะสงสยัยว่า จ, จะต้องข้ามฝั่งทําไมอยู่ฝั่งนี้ก็สบายดีเนี่ยค่ะดีที่สุดเลย <laughs> ฉันคิดว่าบางคนเนี่ยกงง็งงอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาชวนข้ามฝั่งเสมอเลยเพราะว่าฝั่งนี้มันอันตรายฝั่งนี้มันอันตรายนะีมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งงูพิษมีทั้งคนที่จะมาทําร้ายอาหารก็ไม่เพียงพอ แต่ฝั่งนู้นเนี่ยมีหญ้าสดๆน้ําดีๆนะอันตรายก็ไม่มีเราไปถึงฝั่งนู้นเราจะสบายใจควรจะต้องข้ามฝั่งควรจะต้องข้ามฝั่งอา้าไม่เห็นนะแต่เราอยู่ฝั่งนี้เราไม่เห็นนะว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงก็บอกให้อยู่นี่ไงนะว่าฝั่งนู้นเป็นอย่างนี้ถามว่าไอ้คำสัญญานี้เป็นคําสัญญาลงมแรงๆไหมคุณลองข้ามฝั่งดูก็ได้แตนะ่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเขารู้จริงแล้วเขาบอกมา ในายกายบอกคนแรกก็นายโคบาลนั่นแหละข้ามฝั่งไปแล้วแล้วเขามาบอกว่าเฮ้ยฝั่งนู้นดีกว่าแต่พวกที่ข้ามไปแล้วก็ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกันให้เราข้ามฝั่งเป็นสิ่งการดีค่ะคือเหมือนกับเรา เ, ราเราท่านทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตไปในแต่ละวันตอ น, น, นแรกเด็กท่างเข้าใจว่านะคะก็จะไม่รู้สึกอะไรกันมากเท่าไหร่หรอกแต่พอใช้ชีวิตเป็นนานๆเข้ามันเริ่มเห็นโลกชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ก็พาให้เราได้รู้ว่าเอามันมีเป้า<ว>หมายปลายทางที่ดีกว่านี้นะ นะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้คิดถึงเป้าหมายปลายทานนั้นเลยแต่วิธีนี้มันจะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นสบายยิ่งยิ่ ง, งขึ้นเปล่าคะใช่ถ้าเห็นทุกข์เราจะเริ่มแล้วว่าฝั่งนี้เป็นทุกข์เราจะข้ามไปฝั่งโู่นดีกว่า น, ะะนั่นเองค่ะท่านฝั่งที่ครบค่ะและนี้ก็คือเปิดทาได้ถูกปิดด้วยผู้ทวัวจนะรายการสัสนสีสนทนาโดยพระภัยบุญอภิปุโนจากวัด ป, ป่าดอนไฮโซดอนธานีสําหรับวันนี้กล่าวณุสการณ์นะท่านคะเล่นผ่าน การท่านฟังที่ครบคะและสำหรับสิ่งที่ได้ฟังอยู่เนี่ยบางครั้งคนที่ไม่คุ้นชินก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะคะแล้วก็ท้าทายหรือบางคนอาจจะบอกว่าฟังแล้วเนี่ยมันจะไปกันได้กับการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่เรื่องของคำสอนของพระาศาสดานั้นล้วนแล้วแต่เพื่อทุกๆคนเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่า สิ่งที่ท่านได้เป็นพุโทโอหรือว่าเป็นผู้รู้เนี่ยท่านรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องของจิตเราแล้วก็สิ่งที่ท่านรู้จริงๆท่านรอบรู้ในความรู้ของท่านเราก็นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะที่ท่านยืนยาวหลับประยุกได้เนี่ยหลักธรรมของท่านบางทีหลักสั้นๆก็นำเอาชีวิตของเรานั้น มีความสุข ม, มากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเป็นความปรารถนาของรายการสันสนิสนธนาดิฉันสนสา น, นิณ่าภูนเมรยนรายการนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุธท ว, วัสดีค่ะ